มันจะออกพรนษาแล้วจะครบสามเดือนน่ะมันจะคุ้นกับรอดก็ตายมาตจอรอดลงไปป่วยวังหนึ่งอันแง่แซวข้อยืนน้องตาก็เศร้าคนอนยามันยามันหมดพอดี มันหมดแล้วบ๊อบพลมันจะเป็นยังไงบัดสันมันก็ดีๆอยู่ก็เร้่อยบ๊พลมั <laughs> <oko> นซองยามะฮิกให้กับก็อบพลกันยังอันน Siri, ี้อยู่มีอาการยิบๆแยบแยบอยู่มีอย่างล่ะมิตรภาวนาท่นล่ะแน้วอื่นอะไรกันมีเวิร์ดแล้วท่อมาแล้ว อันใดกระท่ำ ม, มาถ้ำ ม, มาสา ร, สารสาส้างโลกสร้างสงสารสร้างคุณงามความดีอันใดก็ทํา ม, มาเล่ามันเกิดยังบุพพลทุกขเนี่ยจะพ้นถูกนี่แต่ภาวนาบัดสร้างสติปัญญา สติสมาธิเป็นฐานสติปัญญาเหมือน ก, นกันกับจับดาบจับดาบเพชรฟันหลวงปู่จันท่าพุทธเกษตรกันปัญญาเป็นดาบเพชรฟันความลุ่มหลงข้อมมืดให้มันสิ้นสุดลงเงินดะเมือ่อความ มืดคค่อมหลงค่อมไม่รู้ตามเป็นจริงเกิดเป็นค่ามรู้ขึ้นมาแล้วจังหวาเป็นเครื่องทําลายสิ่งที่ปิ ด, ปดบังเรียว่าค่มหลงอวิชชาโมหะทําลายด้วยสติปัญญา สติสมาธิเป็นการร่วมกำลังเขามาถ้าเหมือนกับคนทอดแหก็เรียกว่าเวียงแหไปวิ่งแหลงไปคอบปลาเล็กปลาหน่อยจับจอมมันดึงขึ้นมาก่สติสมาธิ ดึงจอมแหรรวบขมารวบรวบรวบขมาเห็นตัวปูตัวปลาหรืปัญญาหรหักข้อตัวนั้นหักขอตัวนี้ปศตัวนั้นปศุตัวนี้นัน่ น, นอุปมาอย่างอย่างนั้นการทําบุญทําท่านรักษาศีลภาวนาทํามาแล้วทํามาแล้ว อี น, นมาเร่ง น, นี้ละเร่งสติสมาธิสติปัญญาจอกันเข้าไปจอกันเข้าไปพี่หน้ารวามเก็บควอมป่วยมันเกิดขึ้นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกขังอริยะสัจจงทุกข์ควรกำหนดลูกมอยังเน่าทุกข์ชาติปีทุขาอันนี้ รู้แล้วเกิดมาไม่ทุกขนาดไหนยินล่นว่อนก็ว่ายทุกทั้งกายทุกทั้งใจพราะเกิดมามีกายมีใจแล้วชาติปีทุกขาชราปีทุกขังความแก่ความเก็บไขมันทุกขนาดไหนมันละนำปีุกขังสุดท้ายความตาย คำลั่งจะตายละมันเป็นทุกข์หันตายแล้วสิ้นลมหายใจกายกับใจแยกออกจากกันแล้วมันก็บรรลุซึกงยังดอกกายนีย่มันก็เลียเยื่อใต้ใจมันเป็นทุกข์ทุกข์ยุ่ใจเะเป็นเชื่อน่ำไปสู่การเกิดอีกเป็นเชื่อแห้งคว่มหลงละนํำไปง่อมไปข่ำข่ำโลกข่ำสงสารค่ำสุก ข, ข่ำทุกข์ตาม ความอยากที่มันเกิดมันมีอยู่ในจิตในใจกนะ็กลายไปเป็นทุกข์สโสกะวันโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตมันก็หมุนกันนี่จบบสิ้นนี่มันจบมันสิน้นมีแต่สติปัญญาจ่อลงไป ดูทุกเนี่ยนะทุกควรกำหนดลูกอันทุกใจมันทุกกายคือ ท, ทายละเอียดเขำว่าก็เป็นทุกอยู่ใจทุกขังอนิจจงอนัตตารวมอยู่ด้วยกันเป็นความละเอียดอเป็นความเมิดยังไม่แจ่มแจ้งย่อเข้าไปด้วยสติปัญญาอ แยกแยะเขาไปอีกจนมันเกิดความรู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงมันสลัดมันสลัดมันปล่อยมันว่างมันสงสารเจ้าของเมื่อถูกถ้าใดตัณก้อนมันก็ดถูกอย่มันกัยังมีความหลงปิดบังอย่มันก็ดถูกมันก็ว่าเห็นทุกยิงว่าบันมันเปิดออกมดเลร มันจะมาสังเวชสลดใจสงสารเจ้าของมันก็ทิงออกไปพร้อมมันก็นปลอยก็ว่างออกไปพร้อมนั่นแหละมันยังสิจบกันนีน่ท่านัดนิี่ตาภาวนาเล่งเขาไปจ่อเขาไปต้นคั่วเขาไปที่หน้ากาย ที่น่าทุกข์พี่น่าเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามันพี่พี่น่าทุกข์อย่างเดียวแหะทุกทุกข้อนกำหนดรูปกำหนดรูปทุกหลงไปทุกกายแต่รู้ว่ามันเกี่ยวกับธาตุกับประสาทต่างๆสัมปยุตกันที่ทุกข์ใจนี่ทุกข์เพราะคว่มหลงอุปทานยึด นั่นยึดนี่อยู่จึงกลายเป็นความเสียอกเสียใจเป็นความทุกข์ใจขินมาอะไรวะโสกะปริเทวทุกข์เมื่อมันเห็นละเอียดเข้าใจละเอียดลงไปแล้วพ้อมกันก็มันทิ่มมันแยก น, นั่นะมันยังคอยมันเตรจะใจกบกันเดี๋ยวมันเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาร่วมอยู่ใน เพามหลงอันเดียวเพราะหลงกันละมันจึงยึดเพราะหลงมันจึงยึดจึงถือเมื่อมันข้าใจคาอจกิ่งมันก็ทิ้งอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาที่เป็นสภาวะร้ำที่ครอบอยู่กับจิตอันนี้จึงว่าเห็นอันนี้จังจิต ทุกขังจิตอนัตตาจิตแยกจิตแยกสังขารแยกสัญญาเวทนาออกไปมันจึงเดียแต่ใจคือความรู้แล้วก็เป็นความรู้ละรู้ว่างรู้ว่างเนี่ยรู้ไม่ยึดไม่ถือเนี่ยมันยัง่อยจบทุ ก, กันนี่จบด้วยสติปัญญา เพราะนั้นเพี้ยนเพ่งนี่แหละต้องการพ้นทุกต้องการไม่อยากมาทุกแก่ทุกเก็บทุกตายไม่อยากมาทุกเพราะดินล้นหาทรัพย์สมบัติทุกเพราะดินล้นหาราบยศสเสรนสุขร่วมเราก็เรียกว่ามันทุกเพราะความหลงอันเดียวเมื่อถ้ำสติปัญญา มันรู้ความเป็นจริงขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบกันลงที่ใจใจบ่มีก็หลงใจบ่มีส ม, มุอลงส ม, มุติมันขมดทุกข์กันย่ทีใจ <c oughs> นี่เพราะเอาเล่งเพราะว่าหน้า <c oughs> เพ่งทุกข์เขาให้มากมาก โดยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กระทําบําเพ็ญมากจงร่วมเป็นพร ะ, ระกําลังนุนนำํำดวงคิดดวงใจให้มีสติปัญญาสท่าความเพียรยิ่งๆ่งขึ้นไปแล้วได้รูทําเห็นทําพน้นทุกทั้งหลายทั้งปวงหรือแมน่นวายยังไม่สิ้นจากทุกทั้งหลายทั้งปวงยังมีความยินดีปรถนาในความสุข ด้วยราบยศสรรเสริญสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเถิน